แนะนำบทอัลอฮ์กอฟบทนี้เป็นบทมักกียะมี 35 องค์การที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมักกียะอื่นๆได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ว่าเป็นความจริงกล่าวถึงเจ้าเวทที่พวกมุชริกีนกราบไหว้บูชาได้ชี้แจงถึงการหลงทางและความผิดของพวกเขาในการเคารพสักการะ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 บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนบีฮูดอะลัยฮิสสลามกับกลุ่มชนอ๊าดซึ่งแสดงความโอหังตามหัวเมืองต่างๆที่มีกําลังแข็งแรงแต่ผลสุดท้ายของพวกเขาถูกทําลายล้างด้วยลมพายุพัดกระหน่ําอย่างหุนแรงทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกปฏิเสธชาวกุเรชให้ระมัดระวังความเกลียดกราดและความหยิ่งยโสโอหังต่อข้อชายข้อห้ามของอัลเลาะห์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 บทอัลอะห์กอฟถูกขนานนามเช่นนี้เพราะว่าอัลอะห์กอฟเป็นสถานที่ของกลุ่มชนอาดซึ่งอัลเลาะห์ทรงทําลายล้างพวกเขาอันเนื่องจากความดื้อดึงยะโซโอหังที่พำนักของพวกเขาอยู่ที่เมืองอัลอะห์กอฟในประเทศเยเมนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออามีนฮามีมตัซีนุลกิตาบมินอัลเลาะห์อัลอะซีซอัลฮะกีมคําพี่นี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ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 فالبنداءผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นผู้ผินหลังให้จากสิ่งที่พวกเค้าถูกตักเตือน อَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أُرُونِي مَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ aituni bikitab min qabl hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์จงแสดงให้ข้าเห็นซิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้บ้าง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 وَهُمْ مِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ لَكَرَى لَاؤُ جَ لُغْ تَا مَ قْ وُ طِ وِ نْ وُ رْ خُ ا لْ عِ نْ وُ رْ خُ ا لْ عِ نْ وُ رْ تُ نْ كَ رَ تْ حُ نْ تِ غْ وَ نْ لَ وُ مَ نْ شَ يْ مَ رْ تُ كَ ا لْ عِ نْ وُ رْ خُ ا لْ عِ نْ وُ رْ وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ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 ام يقولون افترا قل اني تريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 কুল মা কুনতু বিদআম মিন আর-রাসুল ওয়া মা আদ্রি মা ইউফআলু বি ওয়ালা বিকুম ইন আত্তাবিউ ইল্লা মা ইউহা ইলাইয়া ওয়া মা আনা ইল্লা নাযির মুबीन چن نہیں دےปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ถูกองค์การแก่ฉันและฉันมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้ง قل رايت ان كان من يد الله وكفرت به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم อินนัลลอฮะลายะฮดีลกอว์มัซดอริมีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือวะฏออัลกุรอานมาจากอัลเลาะห์และพวกเจ้าปฏิเสธมันทั้งๆที่พยานคนหนึ่งจากวงวานของอิสรออีลเป็นพยานต่อลักษณะเช่นเดียวกันกับคำพีเตารอตแล้วเค้าก็ศรัทธาแต่พวกเค้ายังหยิ่งยะซูถ้าจึงอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون ذائيكم قديم لبنداءผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า หาอัลกุรอานนี้มีความดีพวกเขาผู้ศรัทธาก็จะไม่รุดหน้าไปก่อนเราเป็นแน่ لَادَوِ الَّذِي فَوْقَهَ كَاوِقَ بَتِيسَثَا مِتَارَبْ كَانَ تِناَءَ دُويَ الْقُرْآنِ دَنَانْ فَوْقَ كَاوِقَ جِنْ كَاوِقَ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ แต่ก่อนหน้าอัลกุรอานนี้มีคัมภีร์ของมูซาเป็นแบบอย่างและมีความเมตตาและนี่คืออัลกุรอานแต่เป็นคัมภีร์ที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับเพื่อตักเตือนบรรดาผู้ทําความผิดและเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้กระทําความดีทั้งหลายอินนัลลซีนากาลูรับบะนาลลอฮุซุมมาอสตะกามูฟะลาคอฟุอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูน แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลเลาะห์คือพระผู้อภิบาลของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจอูลากะอัศฮาบุลญันนะฮ์คอลิดีนฟีฮาคอลิดีนฟีฮาจะซาอ์บิมากานูยะอ์มะลู ชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นเป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ اتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال, قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وَاَصْلِحْ لِي فِي دِينِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لا เราได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขามารดาของเขาได้อุ้มครรเขาด้วยความเหนื่อยยากและได้คลอดเขาด้วยความยากลําบากและได้อุ้มครรเขาและการญาตินมเขาในระยะ 30 เดือน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 يَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لَـهُ تَقَاوَلَ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ أُفْ كَأَهْلِهِمَا قَالَا أَنُزْعِيهِ أَنُعِيدُهُ إِلَى الْأَوَّلِينَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ السَّاتَوَاتِ قَبْلَهُ قَدْ ضَلُّوا وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ وَهُمُ الْمُسْتَغِيثُونَ ความหายอ่ะนะจงประสบกระเจ้าจงศรัทธาเถอะแท้จริงสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นความจริงแล้วเค้าก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นนิยายสมัยโบราณเท่านั้นอูลายกัลลดีนฮักอะลัยฮุลกอลฟีอุมัมอันกัดคอลัตมินกับลิฮิมมินอัลจิน في امم قد خلت من قبورهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ਚੋਹ ਲਾਉ ਖਾਉ ਥੀ ਚਾ ਕਾਉ ਰੂਮ ਕਾਪ ਮੂ ਚਨ ਤੰਤਾਂਗ ਹੈਂ ਫੋਕ ਜਿੰਨ ਲੇ ਮਨੁਤ ਥੀ ਥਾ ਜਿੰਗ ਫੋਕ ਖਾਉ ਬੈਨ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 และวันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนํามาอยู่ต่อหน้าฝ่ายนรกจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามของพวกเจ้าในการดํารงชีวิตของพวกเจ้าอยู่ในโลกนี้ไปและพวกเจ้าได้มีความสํารานกับมันแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอัปยศเนื่องด้วยพวกเจ้าหยิ่งยโสในแผ่นดิน دوی پراسجا ความเป็นธรรมและเนื่องด้วยพวกเจ้าทําชั่ว واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت مدر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت مدر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله inni akhafu alaykum adab yawmin adheem จงรำลึกถึงฮุดพี่น้องคนหนึ่งของเผ่าอาร์ขณะที่เขาเตือนกลุ่มชนของเขาที่เนินเขาอะกอฟและแน่นอนบรรดาผู้ตักเตือนรอซูลก่อนหน้าเขาและบรรดาหลังเขาได้กล่าวเตือนว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์ ถ้าจริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าถึงการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่กอลูอะจิตนาลิตัฟิกะนาอันอาลิฮะตินาฟาตินาบิมาตะอิดูนาอินกุนตุมินอัศศอดีกีนพวกเขากล่าวว่าท่านมาหาพวกเราเพื่อจะหันเหพวกเราออกจากการเคารพภักดีพระเจ้าทั้งหลายของเรากระนั้นหรือ ดังนั้นจงนําการลงโทษตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจิตอัลเลออินนะมาลอิลมุอิดัลลอฮ์วาอุบลิดุกุมนาอูซิลตุบิฮ์วะลาคินนีอารากุมกอมนตัจฮาลูนเคาห์ฮูดกล่าวว่าแท้จริงความรู้เรื่องการลงโทษนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์ نجن اخبر اقاد كيا فوك چاو تام تي چن داي تھوک سونگ ما فوئر گان ني تا چن هن وا فوك چاو بن گلومชน فو نوخ خاو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 كذلك نجز القوم المجرمين من ذا تمลาย كل شيء تام بربنشاء من و بانه و كانوا لا شيء لا غير من مكانهم فقط هكذا نرد على الجماعه المذنبين ولقد مكنناهم في ما مكنناكم فيه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 ละโดยแน่นอนเราได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเขาโดยที่เรามิได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเจ้าในนั้นและเราได้ทําให้พวกเขามีหูมีตาและก็มีหัวใจแต่ว่าหูตาและหัวใจของพวกเขามิได้อํานวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลเลาะห์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยวัยนั้นก็ห้อมล้อมพวกเขา ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون لقد ناهنเราได้ทำลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพวกเจ้า และเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆหลายครั้งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها بل ضلوا عنهم وذلك افتهم وما كانوا يفترون ทําไมบรรดาที่พวกเขายึดถือมันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์เพื่อความใกล้ชิดกับพระองค์จึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาเหล่าแต่พวกมันได้หายสาบสูญไปจากพวกเขาและนั่นคือการกล่าวเท็จของพวก وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ لا تذكرเมื่อเราได้ให้ยินจำนวน 1 มุ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อฟังอัลกุรอาน ครั้งเมื่อพวกเขามาปรากฏตัวต่อหน้าอัลกุรอานพวกเขากล่าวว่าจงนั่งฟังซิเมื่อการอ่านจบลงแล้วพวกเขาก็หันหลังกลับไปยังกลุ่มชนของพวกเขาเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ตักเตือนอาลูยากอว์มานาอินนาสมาอะนากิตาบันอุนซิลมินบะอดีมูซา কিতাবান উনজিল মিন বাদি মুসা মুসাদদিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি ইয়াহদি ইলা আল হক ওয়া ইলা tariqিন মুসতাকীম พวกเขากล่าวว่า และแนวทางที่เที่ยงตรงยากอมะนาอะจีบูดาอียัลลอฮิวาอามานูบิฮยัฆฟิรละกุมมินดุนูบิคุมวะยุญิรุกุมมินอะซาบิอะลีมโอ้กลุ่มชนของเราจงตอบรับต่อผู้เรียกร้องของอัลเลาะห์เถอะและจงศรัทธาต่อเขาพระองค์จะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้า และจะทรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดและผู้ใดที่ไม่ยอมรับการเรียกร้องของอัลเลาะห์เขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิฤทธิ์ในแผ่นดินและเขาไม่มีผู้ช่วยเหลือนอกเหนือจากพระองค์พวกเขาอยู่ในความสับสนอย่างชัดเจนและผู้ใดที่ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของอัลเลาะห์เขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้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 قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لو วันซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนํามาอยู่ต่อ برونตรัดว่าดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษตามที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธา ตัสบิตกะมาซบะรุลอัซม์มินัรรุซุลวะลาตัสตะอญิลละฮุมกะอันนะฮุมยะอ์มารูนมายูอัดูนลัมยัลบะซูอิลลาซาอะตันมินฮาบะลา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 เว้นแต่เพียงช่วงครู่หนึ่งของกลางวันเท่านั้นนี่คือคําประกาศตักเตือนดังนั้นความหายนะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนเท่านั้นแนะนําบทมุฮัมมัดบทมุฮัมมัดเป็นบทมาดะนียะห์มี 38 องค์การณ์ซึ่งให้ความสําคัญในการตราบทบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดะนียะห์อื่นๆ สำหรับบทนี้ได้กล่าวถึงบทบัญญัติแห่งการสู้รบเฉเลยทรัพย์สินเฉเลยและสภาพของมุนาฟิกีนแต่ที่สําคัญที่บทนี้กล่าวถึงก็คือเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลเลาะห์บทได้เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นที่ประหลาดคือประกาศสงครามอย่างเปิดเผยกับศัตรูของอัลเลาะห์และศัตรูของรอซูลซึ่งพวกเขาได้ทําสงครามกับอิสลาม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 ละได้วางเงื่อนไขในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ต่อพวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งนี้ด้วยการยึดมั่นต่อบทบัญญัติของพระองค์และสนับสนุนศาสนาของพระองค์บทได้กล่าวถึงรายละเอียดและลักษณะของพวกมุนาฟิกีนโดยถือว่าพวกเขาเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออิสลามและมุสลิม